เป็นงานละไม่ต้องเช็คเงาหรอกต้องเอาอุดกเองเองใช่ไหมโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้้โอ้โอ้้อ้อ้อ้โอ้โอ้โอ้อออ้โ้อ้โอ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้โอ้ออ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ ไปดินแดนผไม้าใหไเี่ยนั่งข้องไรัชไดเ้าาที่นั่งนั่งนงนั่งนั่งนั่น่นั่งนั่งนงน่นั่งนน่นั่งันั่ง่่ง่่นั่ง มาทานี่า้ครับมาทานีได้ครับ่้อนเอาไว้แต่เฉพาะคนป่วยคนที่ไม่ป่วยมาทานี่ขออนุญาตถ่ายครูได้ไคะยังไม่ให้ถ่าย <c oughs> เก็บตุลักก่อนมาเก็บตรักก่อนเขามาทำพท เขามาทำพิธีนี่เชยร์อยู่วัดไหนล่ะโอ้โอ้จ้าเดี๋วดูรีบมาทำพิธีรีบมาทำพิธีเขามาพป็นครอบครั น่าจะไปตมเสือเนาะเป็นแถวงามดีเมันั่งด้านหน้ากันทุกคนเลยนะจะเป็นแถวเลยน้าทตแหามวอะแถวห้าสาแถวอะแถ้าสามแถวอะ แ ก, ก่แ ก, ก่ ก, ก่แก่แก่แ่แก่แก่แก่แก่แก่แก่แ่แก่แก่แก่แก่แก่ก่แก่แม่ น, ม น, มออน ก, ก่แ่งก่แก่แ ก, ก่แก่แกก่่่่แก แั่งก้อีไม่ถูกต้องนั่งเก้าอี้ไม่ถูกต้องความกังตานีงไม่ด่างความกังตานี่ไม่ด่างของกากระ มินาป้องตันเราทำบูชาพระตนะไตยมินาซาลาเลนะดังๆเย้ aesthetic. <peanut eller Rednerwechsel> ยังไม่ถ um um 네ูกต right. ้องกันม่าต้องกัน กัน <c oughs> <c oughs> 王卡 จากพวกข้าพระเจ้าได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ขอพระคุณเจ้าของทานดากพวกข้าพระเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายญาติของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลาย ที่ร่วงรับไปแล้วมีบิดามารดาผูย่าตายาสามีภรรยาลูกเต้าหลานเลนเจ้ากำนายนยงรับทราบรับบุญกุศลยาขั้วข้าพระเจ้าที่อุทิศให้แล้วนะ แล้วจงไปสู่สุขติสมดังความปรารถนาตลอดทั้งข้อค่าประจ้าษ์จงมีแต่ความสุขความเจริญกายสุขกกโาย ปัตนาสิ่งหนึ่งอันใดปนางหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จก็จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสมดังความปัตนาสมดังความปาเนทุกประการเติทุกประการเตินั้นถวายทานที่นี่เรามาทำทานทำบุญด้วย ทำทานทําเสร็จแล้วได้ใส่บาตรแล้วเรียกว่าทําทานอันดับต่อไปทําบุญนั่งตัวตรงๆมือท่ายยกขึ้นใส่หัววางมือลงบนตักมือท่ายางบนตักมือขวาทับมือท้ายับตาเบาๆปิดมือท้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งดูบุญ ทำบุญเพระว่าได้ทำตรงไหนทำบุญทำดูที่ลมให้ดูลมดูบุญดูที่ลมถ้าเห็นลมเห็นบุญเห็นบุญก็เห็นสวรรค์เห็นสวรรค์ก็เห็นใจดูลมเข้าลมออกอย่าเลิกอย่าลืมลม นจนแต่เวลาแล้วยกมือใส่หัวมาต่อฟังอีกนิดหน่อยก่อน ม, มืนาทีก็ไม่อยู่เป็นแถวกันโอ้ประหลายดูป้ า, า, าที่ที่นี่ก็มาเพิ่มจุดสะกดจินมนาะ เอาของออกจากเมื่อเล่วเนยจะให้เราเห็ดปอกแจ็กไม่อยู่นิ่งๆนุงน่งเป็นไหม ม, มาวัดทำบุญถ้าพูดเป็นบาปอจากไมาทำบุญเราทำตรงทีนี่ผู้ที่วัดหลวงปู่ก็ทำอย่างนี้ทุกเข้า ทำรัดข้าจะ่อนทำรัดเสกขวดมนุ่นด้วยพระถวายทานแน่แต่จิตบิดบานนของทานของรับทรัพของรักษากายคือทาทานไม่ใช่ทำบุญแต่วัดทำบุญทำทานก็พูดกั น, นะไม่ทาบุญด้วยก็เราก็โกหกตนเองนละโกหกหมู่พวกบอกหมู่พวกว่าที่พระสงมาไปทาบุญนั่นเห็นไงล่ะ ถ้าเราไม่ทำบุญก็โกหกตัวเองโกหกครบพระไม่บอกอีกพระก็บาทอีกนิมนต์มาพาทำบุญบ้านนิมนต์มาพาทำบุญแล้วก็ไปดูที่ก็ไปดูแล้วที่เหมาะสำหรับที่เหมาะแต่ว่าผู้อยู่ต้องไปหาผู้อยู่ก่อนที่ที่ไหนก็คนจะสวายเยอะแต่สำหรับผู้ที่ไปอยู่ สมเจตนาของผาติโยลอยากให้พระมาอยู่พระมาอยู่อะไรเป็นอย่า้อพระโยมทําบุญทำทานพระโยมทําทานทําบุญหน้าที่ของพระหน้าที่ของโยมหน้าที่ของพระศีล ส, สมาธิปัญญาทําไงศีลจิตใจบริสุทธิ์ต้องคิดอ่านใขว้ควรพิจารณาศีลสําคัญ มาทิสต่สคัญเมื่อกี้นี่ทานศีลบุญประวัตได้ค <c oughs> ุณจะจะเกิดปัญญาถ้าเห็นบุญก็เห็นบาทนี่เคยดูไหมใครใครเคยดูบ้างทุกวันทุกวันไหมมีไหมไปดู ท, ท, ทุกวันดูลมยกมือขึ้นดูสิมีใครดูลมทุกวันวันละหนึ่งนาทีไม่มีนั่ อาหาใจเข้าใจไหมทําไมไม่ดูใจทําไมไปแต่งแต่ร่างกายนู่นของร่างกายสําหรับร่างกายเนี่<แ>เต็มเปน็นหดพระอีกหมื่นลูกกว่าฉันไม่หมดนั่นนี่พระนิยมของคนไทยที่ไม่ทําบุญเป็นอย่างนี้เห็นไหมของเนี่แป๊บเดียวทําไมพระยุ่งก็ว่าทําบุญสำหรักหลงพ่อว่าทํทาบาปทํำไมพระยุ่ง อาหารถ้พระทพิสุสงฆ์รับอาหารเกินพอฉันรับศพเป็นบาปเกินขอปากบาสนี่ได้อย่างมากที่สุดเติมลินปากบาสนะ mm hmm. ถ้ารับมากเป็นบาป mm hmm. ทําให้เกิดกิเลสทําให้เกิอดอยากถึงมีพระแต่เมื่ก่อนยังมีพระทะเลาะ ก, กันอยู่จ mm hmm. ังหวัดเลย mm hmm. เรื่องพระตากเขาแห้งขาย mm hmm. ก็โยมให้คนหลายมันก็ไปตากขายอีกตัวหนึ่งิดแล้วเท่าไหร่ตากมือนั่นมือนี่ก็หลายเล้ก็ยโสควเจ้าหญิงโยมจะว่เลยก็พ่อคายไปวัดเด้ใส่บาทเสร็จแล้วก็แล้วแล้วแต่คนจิฉันรือไม่ันแหละโอ้โหัาก็ใส่ห่อนี่ยแตสมัยก่อนไม่ค่อยมีหรอกห่ออาหารกับข้าวไว้สองวันสามวันที่ไม่ห่อนึ่งสำหรับพระป่าอยู่ในลึกป่าลึก แต่ดูบ้างแต่ดวงขอให้ลูกหลานเราไปส่งไปวางไว้ใส่ิ้นโตใส่พ้วยไปวางไว <c oughs> ้อี่แต่ข้าวพระทำไมพระเกิดท้อมโลกแทนที่จะช่วยพระสง์รักษาพระศาสนาถ้าเห็นอาหารพอในบาทพอฉันแล้วนิมนรคหลวงปู่กับวัดนิม น, นรคพระคุณเจ้ากับวัดนั่นแะเป็นบุญช่วยพระสงฆ์ถากที่เหลกเด้ มญาติโยมถามแต่ว่าเป็นบาทรตือหปู้นั่นแหละเป็นบุญเอาทำให้พระนำบาทเป็นไหมล่ะที่แพร่หลวงพ่อจะให้พระฉันในบ้านเลยมันตาบาตรเดียววันนี้สาลาอยู่กลางบ้านเยก็โยมมาใส่บาตทางเรามาเนี่ยฉันเสร็จแล้วร่างบาตเด็บเสร็จแล้วสะพายบาทเป่ากลับวัดเลยทำามเพียนนั่ง <c oughs> เดินจมกมไปในตัวเลย <c oughs> อยากให้มีปัญญาคนเราขาดตารทำบุไม่มีปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาอะไรสังขารคือความปรุงแต่งเราไม่รู้สังขารมันปรุงแต่งอะไรรักโลกโกรธหลงถ้าพูดมากถ้าพูดน้อยก็รักโลกนี่ตัวมนุษโลกน้อยใจความรักกับความโลภความโลภมาจากไหนล่ำรวยความรักมาจากไหนจากสวยงามใจของคนมันไปติดอยู่กับล่ำรวยสวยงาม นางมโนราข้าวสีทนตามนางมโนราเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึง <c oughs> ไปเจอเจออยู่ไหนเมืองภูเงินมโนคือใจเอาธรรมะเข้ามาแปลดูสิสีทนจะเห็นใจเพราะใช่ความอดทนอดทนดูใจอดทนแต่งใจอดทนรักษาใจรักษาใจอาหารใจไม่ได้ซื้อดูลงเข้าลงบอกไปยซื้อไมหมมุกี้ทําไมไม่ดูใจมันตายไม่เป็น สังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแกเจ็บตายไอ้ทีแม่ขาวไปะเจ้าเพิ่งสวดทุกวันไม่ใช่หรือถ้ยังโคเมกาโยโกายของเรานี่แหละมาพิจารณาสังขารร่างกายอีกนะ เวลทำมุมีเลังอนาทิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ไปยาทิทา ม, มุมทิไปยาทิงอนาทิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำ ม, ม, มุมมีมรณังอนาทิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เจ็บผืนความจริงของพระเจ้าได้อย่างไงนี่คำคของพระพุทธเจ้านะเอา ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดสู่ฟังพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปเชื่อพระในเชื่อพระพุทธเจ้าทำบุญคำพูดพูดทำบุญเขาในนกแก้วเขาลูก็แต่ว่าเราทำให้ทีดูบุญเน้นบุญเน้นไหมเหมื่อกี้สบายไหมบุญคือของเบาไปวัดทำบุญมาจาม่าไปไหว้ที่นเอาของไม้พระยุ่งรถเท่าไรเต็มไปหมดถ้าเข้ากรุงเทพหรือมาเมืองนี่ก็เต็มอีกแล้ว ทำไมพระจุงเดียวนีพระเน้นไปขี้เกียจแล้วอะไรก็จาโจมมาส่งให้อะไรก็จาติโจมทำให้พระตะบงจีวอนไม่เก็บไม่รักษาเพราะว่าอะไรมันเยอะพระโจมมาให้เยอะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึง บ, งบังคับพระผูาาาาะ้ท่ง ใ, ให้ใช้ผ้ามหาบางสกุลให้ผ้าพันธุบไมใช่ผ้ามอสบเพื่อได้พิจณาว่า นั่นถ้าเรานุ่งของเหมือนตัวของเราแล้วก็ห่อของปติกูลที่เราเอามานุ่งห่มก็ของปฏิกูลเอามาจากของปฏิกูลของบูรของเนา่า <c oughs> ยังของกาโยโยกายของเรานี่แหละ <c oughs> เมืองคนแต่พื้นเท้าขึ้นมา <c oughs> เพื่องนําแต่ไปผมลงไปน่าจะปฏิยันโตมีหนังเป็นที่อยู่ห่มรอบ ทยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แอได้ ย, ยินไหมเสียงพระพุทธเจ้าอยู่ในนะั้นทําไมไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเห็นไหมละ่ะหูฟันตาสีฟันใส่สองสามหลอดที่ห้องนั่นไม่ดีควนเจ็ดดีตาดอกบัวดีตานนดี <c oughs> ดีโยยาแตะบูมันก็นดีโยหอมโยตะบูแต่ตัวคนมันบ่หอม น, อน้องปวดของปวดของเอา <c oughs> อยากให้ทําตามคํำพูดพูดอย่างหนึ่งทําไปอย่างหนึ่ง <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนถึงสอนทําให้ทำตามพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหาสินหาธรรมหกปีจึงได้ตัดทรูธเราเอาเปียบพระพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> บอกทาวันหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งนาทีวันหนึ่งห น, น, หนึ่งนาทีวันหนึ่งไม่กี่นาทีคิดดู ทำไมทำไม่ ไ, มได้อาหารใจเราจะรู้จักทางไปสวรรค์ไหมถ้าไม่เคยดูเหมือนมาที่นี่ถามคนไม่รู้เขาก็บอกไม่ถูกถ้าคนเคยมาดูมามเห็นแล้วง่ายทางไปพนิพพานทางไปสวรรค์เราไม่ต้องพูดถึงพระนิพพานเราพูดสวรรค์เสียก่อนอู่ที่ไหนสวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจไม่ได้ไปเหาหานะเราพูดที่เจ้าให้เหาหาที่ใจเห็นไหมเมื่อกี้เห็นสวรรค์ไหม พาทำบุญหรือพาดูสวรรค์ก็ว่าได้ให้ทาเป็นทานบอกให้ทาบุญเป็นทานบอกให้ดูบุญเป็นทานมันเบาเบาไม่ลมได้ซื้อไหมทำไมทาไม่ได้หรอกถ้าได้ซื้อหรือลมแพงกว่าข้าวหน้าโภชนะอาหารเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เป็นเวลาข้าวน้าโภชนะอาหารเป็นเวลาแต่อาหารใจอะลมเข้าลมบอกมีเวลาไหม รับไปแล้วก็ใช่ลมกอ่กอกอ่กอก่อก่ออยนั่นทำไมไม่ดูหรอกไม่ได้ซื้อเช่ด้วยถ้าได้ซื้อหลวงปู่ไม่บอกนะพระในประเทศไทยมีกี่รูปมีกี่วัดต่คทาบุญโยมมอะไรสวายสังฆทานเจ้าข้าสะตทูตสุธียานสวายสังฆทานตรวจน้ำโยมไหนละทาบุญก็เลยเก่อนหลงทางพระก่หลงยมก็หลงหละทิ ไปไปติดตั้งแต่อามิปูชาเห็นไหมเต็มไปหมดห น, นั่นอามิปูชาของท่านทำบุญเห็นไหมง่ายไหมทําไมไม่ทําของง่ายๆไม่มีใครบอกอบอกพระพุทธเจ้าเีอ า, าทินย์น่ะทำมาสอนคนเราเป็นคนไหมแต่ทําไมไม่เชื่อพระทเจ้าไไีไม่เชื่อพรพอนะพุทธเจ้าไม่ใช่หลวงพ่อต้องมีพระนะเอาเหตุผลของพระเจ้ามาโคจรฟัง พระพุทธเจ้าว่าพูดเดียงเก่งพรุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อพระไม่ให้เชื่อหนังสือตำราสมโบราณว่าไมใช่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยในมีหลายประการะดับทางโลกเพว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์กับอาจารย์นะหนังสือเขียนมาก็เหมือนกันนะไม่รู้ว่าอาจารย์รูปหนึ่งเขียนหนึ่งหนึ่งอาจารย์รูปหนึ่งเขียนหนึ่งนหนึ่งเห็นไม่ยังมีเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วยังถูกจับ ไม่รู้สึกก็ไม่สึกแล้วพระบทศาสนาพระธรรมยังไงของพระพุท ธ, ธรรเจ้าไม่ถึงสองร้อยอี่เจ็ดแค่ห้าสิบข้อร้อยห้าสิบข้อยังมีแล้วแต่ว่ายังไงเชื่อเหี่ผมไม่ใจเชื่อเหี่ยผมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอ้างดีกว่าเรารู้จากพราพุทธวิจารณ์ของพระสงฆ์เ จ, เจ้าไหมพระเจ้าหาศินหาธรรมด้วยลมหายใจเข้าออก พระพุเจ้าไปตัดรูเพราะดูลมหายใจเข้าออกนี่เราอยู่กับลมแต่ไม่ดูลมถ้าลมไม่มีตายแล้วคือถามเรื่อมือชี้เนี่ยใครดูลมบ้างทุกวันทุกวั น, ว, นวันละหนึ่งนาทีแล้วมีใครไม่มีใครยกมือเลยไม่ดูอะไรไปดูแต่ร่างกายตื่นขึ้นมาถูบแขวตื่นขึ้นมาอาบน้านใส่เสื้อแต่งตัวหวีผมแต่งหน้าแต่งตาแต่งไปทําไมแต่งอยู่แต่มันเกินพอดี ผมทุกวันี้ลูกหลานผมดำดำก็ยอมสีแดงเห็นต่ขนฉัดนะสีแดงแดงขนคิ้วเขียนไหมคนตาจะเขียนไน่เล็บมือเขียนไหมดำก็แต่งไหมเนื้อหนังคังสังเกตว่าเป็นโลกนั่นเป็นโลกนี้คล่องร้องกันอยู่ได้ยินว่าละ่ะร่างสังจะกรรมไม่ดีทําให้ฉันเกิดเป็นโรคมะเร็งนั่นหรือมะเร็งจมูกเดืเอมเร็งปาก มาเลงขนตาแล้เอาตาผีใสมาขายบนลูกหลานยูเอาจิตไปาม่อยนางษษษไปเอาเล็บผูด้วยมาหัดแจ้งขายล่ะเขามีพลาสติกรอกหลงปูเพราะมันเล็บมือผีหรอกลูกหลานจะทำสัญญากรรับผออีมองจิตในมุมปูไปดูเครื่องทำขน <S <S <S เครื่องกำจัดขนราคาเก็บล้า น, อานโอ้ เฝ้าเองสแล้วไปเฝ้าเห็ดมือคิดงานก็เจ้าไปเฝ้าเสริมสวยอ่ะูกผลธรรมาชาติไม่ได้ธราตินั่งนัย่ยมมาหลายแทะเขามาคอยเสริมสวยหลวงปู่ที่นี่ดูสิเสริมเล็บนือจกกีนนาทีเสริมขนตาจีนนาทีเขียนชี่ยวอีกนาทีแต่งฟันอีกกีนนาที จะหาหมอจังแพทเดียวไปได้จะไปหาเสริมนี่มันไม่ได้เล็บมือสิบเล็บน่ะยยี่สิบเล็บตึ้งเล็บตีนอีกด้วย <c oughs> ของพระบัตสมเด็จพระเจ้าปู่จุงว่าว่าไงยิ่งดีกับของได้พอใจกับของมีของเรามีมาแล้วรักษาแค่นั่นก็พอใจแล้วไปแต่งให้มัน ก, กิเลสหลายเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่เศรษฐกษิจดีอยู่แล้วแต่เรากิเลสเยอะบ้านเดียว สิบคนโทรศัพท์เกินยี่สิบเครื่องต่างประเทศเขามาทํางานประเทศไทยเหมือบ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเดือนละเท่าไหร่วันละหนึ่งรอยเขาก็เป็นเศรษฐีแต่ประเทศไทยวันละหนึ่งพันไม่พอใช่จะขอลองเขาอีกกี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วค่าไายวันไม่ถูกไม่พอใช่ไม่พอใ ช, อช่แต่พอใช่อะไรอาหารดูสิเนี่ยแท้จริงหลายคนกิน เท่าร้านอาหารในี่ยคนไทยประเทศเดียวกันไปทำลายกันต่างประเทศเขาซื้ออาหารกินหมดแล้วเขาก็เอาขยะใส่ถุงเขาจ่ายเขาก็ไปสองไทยเราสิ้นเดือนค่อยเอาเต็มโต๊ะอยู่นี่สร้งมาเต็มโต๊ะคุณน้บัติมาตัวสิบไปสิ้นเดือนค่อยเอาสิ้นเดือนค่อยจ่ายลงบัญชีเอาไว้เป็นบ้าบนเราเมือนน้าไปซื้อเข้าวมาเขาให้ข้ามาพี่บ๊ ไม่ได้สดโตเทีไนใจนายเจ้าบมาปอบัดบางบางบางกุ้งก็จินโดนตรงนี้ตาเปียกไปแขอย่หันเถียงกันเล่นนี้ยังย่หันตำบกตั้งประเททตียโตรำค้างเขาก็ว่าขาแล้วล่ะพวกนี้ น, นั่งปลาลูกสุปลาใสคัับภาษาบ้านฮู้จะว่าไงของธรรมชาติมันดีแล้วเล็บธรรมชาติเรามีแล้ว ถ้าวัาตัดออกลองดูผมจะวัตัดออกไปเมื่อเกิดมาเบิ่งรูสิถึงใส่ไข่ว่าผีบ้าเกลยบมือมึงรูสิถึงใสแล็ตีมึงโูถิอเบิ่งเบิงไดบ้บ้าั่นยิง่งศีลนากรยิ่งข้อค้นแบบคิดแต่งดีแด่ขาดอย่างเดียวถ้าพูดก็ไม่สิ้นสุดเพรตลอดวันไม่สิ้นสุดเรื่อ ง, งของโลกเข้ามาหาพระพุทธเจ้าดีกว่า ทำบุญเห็นบุญเห็นศีลเห็นสันทำสวรรค์ดูสวรรค์เห็นสวรรค์เห็นสวรรค์เราก็ไปพนันิุพานใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษยษาษา์อยากโคพุทธศาสนาอยากปฏิบัติธรรมคำว่าประพัดสว่างกิดตังสมร tha ใจทุกดวงมันใสสะอาดเก็ ม, มีมีร่างกายหระกนะร่างกายได้ทีหลังนะ ต้อมีคุณพ่อคุณแม่มันมีการมีงานแต่งงานกันนั่นแต่ก่อนจึงจะมีร่างกายมีคนเดียวไม่ได้ร่างกายร่างกายเป็นของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ของเราเรื่องเท่าไรแต่งเท่าไรรักษาเท่าไหรก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายแต่ใจไม่แก่ไม่แจ็บไม่ตายทำไมไม่ดูเพราเราไม่ดูเราไม่ ไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหนเป็นอะไรเว็ดถือแต่ร่างกายตัวกู้ตัวกูตัวกู้ใครไปต้องไปด้านนี่ก็ว่าเพื่อใดโอ้ยใช่เหม็นแท้เก <c oughs> ียเดเขาท่านที่ศีรษาถูเอาลองมาเห็นใจมึงดูนี่ปวดร้อนได้หนิถ้าผู้มีปัญญาโอ้สาธุละนังเอ้เป็นคือเจ้าวา่าเราคอยบวชคอยเนอนยืดีไม่มีปัญหาได้ ย, ยั ย, ายตาตเหม็นปลุยเหม็นสาบ ปาโตมันจะมาว่าวุูยังไงรูกฝันซื่อน้ำหอมมะใหยมาจากต่างประเทศส่วนคุณเป็นเรื่องเป็นล่าทะเลาะกันนี้เนี่ยน้ำหอมหอมยู้แต่ว่าโตค้นแต่แท้กันบ่หอมเราขาดการดูใจไม่เห็นจุดนี้ไม่รู้จุดนี้ว่าเรามันหลงแค่ไหนโลกะคือความมืดครอบงำจิตใจของสัตว์โลก ดูสิถามตนเองเลยแหละเราอยู่คนเมืดอต์ไหมเราเป็นคนไหมแต่เชื่อพุทธเจ้าไม่ทําตามพระพุทธเจ้าไหมเรือนจําอยู่ที่ไหนทุกจังหวัดเต็มไปหมดเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปป้นไปกี้ไปฆ่าไปตีไปโคตไปโกงใครทาไมคนไทยเท่าพุทธทำอะือไปทํากันอย่างนั้นก็ขาดอย่างเดียวขาดเข้าวัดภาวนาขาดเข้าวัดทาบุญท่านถึงปภาวนาท่านถึงปภาวนาต้องแปลจากภาวนาว่าทําบุญดีกว่า เขาวัดทำบุญนั่นเห็นไหมเอาลองไปดูดิจษกศิรวะวัไปดูไม่กี่วัดจะบอกทำบุญมันไม่ไดซื้อนะ ถ, ถ้าได้ซื้อลุงปู่ไม่บอกนะถ้าดูจุดนี้เห็นจุดนี้แล้วนั่นแ่ะ เ, เวลาเจ้ากรรมนายเวรไปถามตายายพี่นายกนไรขอยายกอย่างนี้มาหนีมาตอนที่ตั้งใจว่าจะไปดูบุญ เห็นทางไปสวรรค์ไหมบุญคือทางไปสวรรค์นหนะอะไรตอบเขาถ้าเขาถามไม่ดูเพราะว่าเรื่องของจิตมันหนีไม่ได้เจ้ากรรมในเวรกรรมมุนาวัตติโลโกตัดโลกเป็นไปตามกรรมนะกรรมบีบังคับล้วไม่เหมือนมีร่างกายเนี่ยในเรามามีด้วยบุญก็มที่หรือวนะ่ามีร่างสารร่างกายบริสุทิ์ก็ดคุณพบคำสอนของพทธเจ้านี่ ยิ่งใหญ่แล้วเราจะทำต่อหรือเปล่าเรามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบุญเรากลับบ้านเต่าด้วยบุญมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดบุญแล้วเข้าใจไหมบาปเป็นยังไงทีนี้นี่เราขาดกันทำบุญไม่รู้ว่าบาปเป็นยังไงมันมีแค่นี้นะถ้าเราเห็นบุญมันจะรู้ว่าบาปเป็นยังไงดี่เราไม่เคยดูบุญว่าบุญคืออะไรขอให้ร่ำรวยขอให้สวยงามนั่นหรือบุญนั่นบาป ผมคิดละเอียดนะใต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำของขุนเจ้ามาปแปลเรไม่เข้าใจหรือ ว, ว่าบาคืออะไรขอให้ร่ด้วยกัเป็นบุญขอให้สวยงามก็เป็นบุญนะผล ง, งามตรงไหนธรรมชาติของสังขารร่างกายถลอกเสื่อออกถลอกหนังออกถลอกกระดูกออกเขาไปเลยกระดูกก็ไปวิเพาะอะไรบ้างในนั้น นั่นไปถูกต้องแล้วคําของพระเจ้าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเรากรอดของบูดของเน่าเราพาของบูดของเน่าเดินไปไหนมาไหนจะถอบของปฏิบูลเดินได้ไม่รู้เพราะเราไม่มีบุญเพราะเราไม่ทําบุญถ้าทําบุญรู้หรอกว่าเป็นยังไงใจของเราจะไปไหนรู้หมดเมีเอสีพบเกิดมาสีพบกีชาสีกลับสีกันแล้วจะไปที่ไหนไม่ต้องไปถามใครถามพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจ ผู้ดูรู้เองเห็นเองเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้ามีใครมีใครไปทายทานายบอกว่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ต่สรูทําไมจึงกระหปีปีแรกๆก็มีแต่ดูลมหายใจเขาออกไปไหนไกลๆทำไมได้ต่สรู้มันเพราะยังไม่รู้ทั้งหมดโลกวิถูโลกแก้งโลกหมดคือความเป็นจริงของโลกงงมันเป็นยังไงความเป็นจริงของสังขานมันเป็นยังไง อันดับแรกก็เป็นสัญญาไปดูจำได้เฉยๆมันยังไม่สว่างโลก็วิถีลูกแก้งโลกสว่างในหัวจิตใจไม่ใช่สว่างที่ตานตาเห็นแต่บาปเห็นร่ํารวยเห็นสวยงามเอาแปร่ํารวยดูสิคนมายืมไม่เอามาให้ฟ้องร้องกันยิงกันฆ่ากันใช่ไหมเป็นนรกไหมแย่งกันในมรดกครอบครัวเดียวกันบ้านเดียวกันพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าฆ่ากันตายแย่งมรดกกันเพราะความร่ารวยใช่ไหม ควเสวยงามเป็นนรกไปยังไงทะเลาะกันหึงกันผู้ชายไปพูดกับผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงก็ไปพูดผู้ชายไม่ได้หึงกันจ้างนัาลูปข่าเนี่ยจ้างข่าผัวก็มีเป็นนรกบ่เขาดูลมมุ ก, กี้เป็นสวนรรค์บ่ได้ซื้อไหมล่ะสวรรค์สวรรค์ใ น, นอกนรกในใจนั่นจริงจัไม่ได้เสียเงินหลวงปู่จิงจังไม่ได้ซื้อนะ ในฐานะที่ออกตอ น, นจะชมลูกหลานจะสีบีน้องจิตศรัทธารัตนารงปู่มาดูที่มี่อยู่ก็ไปดูที่แล้ว <c oughs> มันดีหมดที่ตรงไหนก็ดีแต่ต้องผู้ที่จะมาอยู่นั่นมันสำคัญผู้ที่อยู่ผู้พาทมเดี๋ยวพายังไม่ท้จักของยากของโยมรักษาของยากของโยมหรือ ก, กับพระยิ้ใจแตกหรอะ โอ้เขาขายปูนะทวดเด็เขาหมอกไปปูดเด็กคนไปขายคนหน้าซึ้มคนก็ได้นั่นเห็นว่าละ่ะถ้าจุดใจเไอไปฝุดหนักทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆมันยากแต่ไว้ง่ายแต่ว่าผู้จะพาปฏิบัติต่อไปนั่นถูกต้องแล้วสมบัติสว ร, ระค์ญาติโยมแต่แหวนหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยากให้มีก็ ป, ปฏิบัติในทาแในธรรมในวทางของผู้เจ้ามาเพื่อโปรดเราคนญาติโยมนั่น อะไรหายากสุปฏิปัโนหรือพระอรหันต์มีคําสอนของคุเจ้าคำตามใครคำตามคําสอนของคุยว่าพระสุนิพานยังมีอยู่ยกเว้นเฉพาะไม่ทําตามคําสอนของพุณเจ้าจึงไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นพสุนิพานคุณเจ้าไม่เอาสวรรค์นิพานไปด้วยอยู่ในใจของพวกเธอพวกท่านทุกทูก ผู้จะสั่งสอนของพวกเธอทุกท่านทุกโลกที่เต็มไปยพระเจ้าจะลาปรินิพานจากกรอบปรินิพานจากพระพิสุสงศ์นั่นพระพิสุสงฆ์บทใหม่ไว้เข้าใจก็ร้องห่มร้องให้ไม่มีใครสอนพระธรรมวินัยเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายยศพระธรรมวินัยเป็นครูเป็นยังไงเป็นทำตามทำสอนของเจ้าขเจ้าบอกงดเว้นอะไรก็ ง, งดเว้นจริงไหมครู สิงไม่ผิดผู้เจ้าบอกแล้วต้องทําตามคําของพู้เจ้าไม่ต้องบอกว่าไปนิพพานได้หรือไม่ได้ปัจะตังรู้จําพราะตนเหมือนมาที่นี่ใครมาเห็นเองรู้เองไปมรรผลนิพพานใครดูรู้เองเห็นเองนั่นคําของพู้เจ้าบอกไว้แล้วจะไปบอกว่านิพพานเป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้ใครจะไปรู้ใครจะไปเชื่อผู้เจ้ากสิึงห้ามพระที่สูสงส่จะไปพูดว่าสวสวรรค์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นินนพนพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นก็จะไปเชื่อได้ยังไงกี้บอกจําแล้วจำเป็กเห็นไหมล่ะไปไหนไปในหลวงปู่ไปจำแ้วไปถามดูสิหลวงปู่บอกว่าให้นั่งสมาธิทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาทีได้ทํำไหมผมยังทําไม่ได้หลวงปู่นั่นเห็นไหมล่ะแต่ว่ายังไง <c oughs> ทําคําสองของพุทธเจ้าญาติสามัญชนคนธรรมดาจะทําได้แต่ทั้งที่ไม่ได้ชื่อทําไมจึงทำไม่ได้โอ้ถามทิศหายใจเราดูนะ ด้วย um. like like um, น้จุกุศลอกตนได้จงลกหลานได้สืน้องด้เสียตลอดอาราธนาพระเจ้าประสงของแม่สุภาจารมาเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญกุศลบุญกุศลเช่เราและทาเหล่านี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระจงและสิ่งศักขสิทธิ์ทั้งหลายในากลนรกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรัาอาตนได้จงูกหลานได้สืน้องมีตความสุขควเจริญสุใจุกใจ ทำ ง, งานจึงใดการเงินถึงใดปาสนาถึงหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จจงสำเร็จโดยเฉพาะในรัชธรรมค ำ, ท ำ, ทำ ส, อสอนของพระพุทธเจ้าจงพาการตั้งอกตั้งใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณิธานในปัจจุบันในชาตินี้เออ บาวริาปุราบาริปุเรนติจารังเอวามี t i โตตินังเปตานังอุปกาปิอิจิตังปิจิตังตุมังคิปเมวะสมตุเตเปปุเรนตสังกปาจันโนราโตจัถะมณีโชติราชาติโยวัจจุสโร I. Right. ตาลกราสันโตสัพเดวตาา สงสัยอะไรมล่ะอะสงสัยอะไรไหสงปูดมาแล้วสงสัยเคยังทาไม่ได้ดังไม่ทำเจ้าปูเจ้าาเคยมีสที่จะเจ้าามีสิ่งที่จะทบูแต่ไม่รับรู้สิ่ง เหล่านั้นแล้ววางถูกต้องไหมคะเสียงแต่แตว่าเสียงตาหูจะมวกเล่นก็สักจะดูกรูก็อยากไปเยี่ยถือเป็นของตกประพกแกไปว่ามันงามถ้าเขาไม่ยกจอพอปั้นก็อยาดีใจถ้าเขาตำหนิก็อยากโกรธนั่นแหะปิดหูติดหูใช้ขัวปิดตาสองข้างปิดตาเสียบ้างจะนั่งทําบุญง่ายไหมวิธีทําบุญ ไปดูมันก็ดูเจ๊๋าใหญ่ให้เกิดความโลภพระท่หนหลวปูไมนะ่ให้ถังง่ายตรงนี้ให้ถินให้พรให้อ ด, ดทุกอย่างหมดเพื่อให้พระอดใจกคืออใจสิ่งของเรามีอดใจได้เป็นพระได้ถูกต้องให้เาห่างความกันทมให้อดใจอะไร อาลังอาลังดังอาลังอาลังตัณหาตัณโมตัณหาตัณโมไม่ค่อยความกัน นกก็เลยไม่ฟ้อมกัน <c oughs> เกิดเ<ๆ>รื่อร้ยแล้วกระจายเอาของมาถวายพระเอาของเบาๆของหนักจะเอามาถ้าอันไหนมันหนักก็ตากใส่ารเอาก็ได้การเดียวนิดๆหน่อยก็พอแล้ว